งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดท่าที่เคยผ่านมางานของจิตนี้ต้องในท้ายสติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามฝึกผลอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็ล้มลุกคุพรานแพ้มากกว่าชน ะ, ะถ้าพูดถึงเรื่องความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยังดีกว่าอย่างนี้เรืองขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มใช้สติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภาณใจิตใจคือทำความรู้สึกมีเียตนาพร้อมไม่เช่นนั้นอันก็ไม่ทราบเรื่องของอีกที่คิด ออกอย่างละเอียดแล้วออกส่วนงานอื่นๆเราจะทําอะไรทางกายเราก็ทําไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านไตรตรอง ทุเรียกว่าเป็นงานอันหนึง่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจริงรกว่างานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันหับแรกก็คือเพื่อเราอันดนับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหร่อควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลำดับดังพระพุทธเจ้าของเรา ในขณะที่เสล็จออกสงฆ์ผนวดเ บ, บ, บื้องต้นพระรัตนในเบื้องต้นเนี้ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดราสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่ยงกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทงตลอดเพืความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทยรัยผู้เคารพอาชะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัต์โลกตัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งแต่เราพูดธรรมสาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติมาตรฐานยิ่งกว่าเกียตยี่เกีติ์ พุทธศาสนาที่ตนปกครองอยู่อันดับแรกก็คือพระชายานี่เป็นสำคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขณะที่จะเสด็จออกสอมณโหวดยังต้องฝืนพระไทยหากว่า สเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสญญตยาดอยู่กับพระมานาก็เป็นเหตุจะให้พระมานานั้นตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อกา ร, รหนวดของพระองค์สุดท้าก็ต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือ น, นก็บหัวใจลอยไปเลย สเสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใหตั้งแต่วาระแรกที่สเสด็จออกจนกระทั่งการบาเพ็ญปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาความคิดความห่วงใ ย, ยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่ากิเลสประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดบุานา จ, จิตใจแต่พระองค์ก็สงฝืนเต็มพระสติกำลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อบความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบาเพ็ญลาบากลาบนขนาดไหนพระทัยตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องฝืน คิดูตั้งแต่ขณะเสด็จออกทรงท่นวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันแรกสรูร้ปเป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมาณมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกับที่พระองค์ประทับอยู่แต่ก่อนกับที่ไปประทับอยู่ในป่า แล้วการบำเพ็ญก็ต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสรบสลายสามครั้งอกตกระยาหารถึงสี่สเก้าวันทำไมจะไม่ทุกเพียงอดเก้าวันสีวันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่เพราะอย่า ง, ย, างยิ่งเลยว่าตาวันตาก็าเคยอด ันได้เวลานานๆตั้งสี่สิกว่วันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่ของการปฏิบัตินั้นผิดกันกับพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดพระยาหารไม่สวยเลยสี่เก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั้นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ติพระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจคืออันนั้นเป็นแง่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้ทิเหลือีรเป็นการช่วยการแก้ทิเหลืในทางจิตตภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็เต็มหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยอาการทั้งสีคือยาบกยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายนจิตใจก็โรคกับทิเลื ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยูภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความระบากความทรมาร์ความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่ก็จําเป็นต้องฝ่าฟื้นก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ซึ่งเต็มไปอยู่ในร่างกายของเราลวนแล้วตั้งแต่กองทุกนั้นใครจะไม่มี ควทุกข์ความลำบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางหน้านปิดใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหัสจนกระทั่งในตรัสจะรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือจงกําหนดอ น, าานาาตัตตาสติแล้วจึงได้เบาพระไยลเรี่กว่าเป็นคนณะโลกอีกเช่นเดียวกันรูปพระไถลที่ เป็นพระยอดที่เหลือต่ตก่อนนั้นได้ลกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็นดวงแล้วก็นํามาถังสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนําสั่งสอนไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความทนคนประชาชนก็ย่อมมีความตทนใจมากขึ้นเดิมแหะเพราะต่างคนต่างจะมีทุกข์ต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหาหลักฐานหาที่พึ่งทางจิตใจ เพราะได้ยินจีดสัตว์จิตคุณของพระองค์อาจเป็นผู้ทรงสั่งสอนโดยถูกต้องแน่นยันก็ยิ่งเกิดความสงไกระมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากม า, กายกาบกองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงใ นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงคราะโลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขที่เหลยออาสาออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกข์ความลำบากแห่งการประกอบความภา่าเทียมนัพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอนนานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบงังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากความทรมาเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลาบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลําบากเช่นนั้นการสั่งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปัทาที่ทรงบ่มเพนมามีความลําบากหรือหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนํามาสอนโลกเป็นไปเพราะความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความภากเปลียนให้ลําบากลาบนเช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆคนใครพอฟังแล้วก็จะสำเร็จมรรคผลนิพพานไปเรืๆๆ่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทํามานให้ลําบากลาบนด้วยการเดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาทาบุญต่างๆเสียอะไรๆตลอดถึงไม่ร่ำเวลากําลังวังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งก่าทางที่ทรงดําเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แก่มัชกิมาปฏิปฏาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเ้าแปลเอาความเลยว่ามัชกิมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชชิมาปฏิบาัตาิจึงเรียกว่าเป็นถ้ำกลางเสมอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแต่กิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชชิมาปฏิบาัตาิเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้น่องเหงือไ ป, ประจับปัจมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดาเนินตามหลักนั้นเลยอยนี้นั่นเป็นไปไม่ได้จําเป็นต้องยึดหลักปฏิบปทาจ ะ, จะยากจะง่ายจะลําบากเพียงไรก็เช่นเดียวกับเราถากถางทุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบรุลงังขนาดไหนเมื่อเขียนทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกหมายป้าทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะ อ, อันทรุเข้าไปเช่นถ้ำขุนตาลเป็นต้นนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาขนาดไหนลูกคลุ้งดำเพียงไรก็ต้องถากป้องทางถุงต่ําก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การดำเนินปฏิปัาตามหลักธรรมีทพเิ้าทรงตรัก็ถือเอาเรื่องกิจใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยเท่าไรถ้ากิเกลสเรานั้นหนาถึมืดดำกรรมตาแต่จะให้มันส้นเร็เจะจิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกออกเพียงเท่านั้นได้แล้บ ศาสนาก็ไม่จําเป็นที่ต้องเอามาสอนโลกข้ากมายพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลัมกมัชชิมาปฏิปทาอิจิเลตของเรามีขนาดไหนที่พอจะเกอากบไปสาไม้ทั้งต้นคนถากคนฟันคนตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักตจนกระทั่ง มันเหมาะสมแก่กบที่จะไปใสล่ล้วถึงจะใสได้ถึงความเพียรที่จะพายสติปัญญาอย่างละเอียดลอให้เหมาะสม ก, กับพิเดตะเพนนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนกักสลับเป็นสนาบตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรับสู้กันไปนี่คือหลักมัชชิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับบุ ผู้ปฏิบัติเป็นลลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้านิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่ากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้านิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลนไปพิจารณาะไรมันท่องแข้วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากเพราะกิเลสมันไม่มากถ้าเราลองถางป่าป่าไม่มากมายลายมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันป่าหนาเราจะได้ทำให้ง่ายเหมือนกังป่าไม้บางๆมันก็เปล่งไปหด้มันต้องหนักมือ คนคนเดียวนั่นแหละนิ่เลทในขนาดที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องใช้ความพยายามอย่างหนักง่วงทุ่มเทกําลัง ล, งลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงเวลาถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย ป่าชา้ามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรากลัวไปอะไรเมื่อจะทำประโยชน์ทำไมจะกลัวตายการทำประโยชน์ไม่ใช่การทำความต้มจมคิดหายากตัวเองซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหากมีเป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกำลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนหันมาทุกข์คำพีทุกข์คำพีสอนมาลงทุกที่กายที่ใจของเราทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายกบวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดที่แปลว่ากองนี่กับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกข์ที่ตรงนี้แยกแยะตูให้ดี ให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรคือเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นเรื่องที่ขันที่ใจของเราที่เรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใส่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดบูกเสียงจริงลดเรื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งนั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นข้าสึกแก่ตนเท่านั้นความเป็นข้าสึกอันแท้จริงก็คือความทีคม่ความปรุงความสําคัญมันหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่คเรียกว่าสมุทัยเป็นเครื่ผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลํำดับตลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจของเราตอนนั้นล่ะภาระทั้งหมดที่เต็มไปด้วยความตะเกียบตะการความป่าความฝืนความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เหลือจะหมดไป น, นี่ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เห็นมีพิษมีสงเออสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเป็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือแต่กา ก, ากเมืองคือขันห้าใน แ, แต่ร่างกายอา้าวต่อไปเมื่อไหร่ก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับน ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี่คือปาชาของเราได้แก่ธาตุขันนี้เองพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกากเมืองไปถึงคราวมันสลายชาวจะเรียกเป็นบุกลด้ฐานว่าพยายามมาจุราสมาเอาก็ให้ไป ในตากาเมืองความจริงพยามมัจลีลาทั้นแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวสนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไปแล้วไม่มีอื่นใดนี่เมยยื่อรียนตามหลับความจริงนี้แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตหลอกลวงตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจําปองอยู่ภายในนั้นเป็นใช้ให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่าง สิ่งจอาปลอมทั้งหลายนั้นถูกทำเล่าแล้วด้วยสติปัญญาก็ไม่มีอะไรจะมาหรอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบวาเป็นธาตุากายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวังไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่นี่ท่านเรียกว่าการเพ่องตน การสลัดสิิ์ที่เป็นค่าสิ์ต่อตอนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีที่เหลืเป็นตัวสำคัญเขาปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง ต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือปลดแอกออกไปจากสิ่งเหล่านีเน้เราก็เป็นอิสระเสรีพร้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ่งนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าทมเสรี ือธรรมเสรีอิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้นะเมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาที่มีความสบายความกดเครื่องภาร ะ, ะอะไรที่ว่าลำบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลำบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียจรจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความาพเพียรเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยันขยันเป็นสิ่งที่ไม่น่าอินหาะอาใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนิน หรือหน้าธรรมเพื่อความท้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นจากสิ่งกดถ่วงภายในจิตใจใจเมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละทานยอมอิสระมีแต่คามูกแบบโล ก, ออกมีแต่ความสง่า ง, งามความสว่างไสว ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงทิศไปแล้ววะใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้ว ท, ออที่เราชื่อเรียกว่าติดปากว่พูดได้ว่าใจใจบริสุทธิ์พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามหลักธรรม่านจริงเขกลายเป็นธรร ม, มทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านที่ประธรรมประเสริฐออกจากใจที่ปรวเสริฐพราะดลุดพ้จากสิ่งตำแซมทั้แหล นี่งั้นทิมารมในหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกษมเป็นท่านกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถ า, านที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองก็ไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวล่ำเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังบนถึงที่อันพเกษมท่านถึงอย่างนี้ความค่าความหมายของคนเราก็คิดว่าไปวุ่นไปวุ่นไปข้ามโลกธาตุสารก้าวไปวุ่นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจันเนี่ยความจริงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเร่องแล้วมันก็เป็นความพเกษม เป็นอิสระขึ้นมาในที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี้หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นที่ว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรืกดขี่บังคับมาเป็นกีกับตีกันจนนัแลม่ได้แล้วลมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อ น, นั้น น, น, นั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายถึงที่อันนี้เองเราตั้งเป็นสมมุติขึ้นมาถ้าไม่ตั้งอย่างนั้นโลกนี้สมมุติพูดกันก็ไม่ทราบ mm. จะคาดการณ์หมายอะไรเป็นเป็นกลุ่มหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถู ก, ถ, ก, ก, ถ, กถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําทังของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่ทำอะไรพูดไปอะไรมันก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้ถ้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นทู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ความเฉลียวฉลาดทอที่จะปกป้องสิ่งที่อาภัพนั่นออกจากจิตจิตเปนกลายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอารมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถและฉลาดสิ่งที่เอาทำออกไปจากนี้ก็กลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกซึมถ้าว่าอาภาพัพ ก, ก, ก็อยู่กับจิตถอดประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงอพลิกตัวออก่าน มันนี้การแยายาทำเพราะเห็นความเกลียดอันนี้รู้สึกใหน่อย